นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ n นาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธา ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคสราหันตบสมมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาโอกาสนี้เป็นต้นไปได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานนั่งวิปัสสนานั่งสมาธิการนั่งสมาธิ ให้พากันนั่งขัดสมาธิาการนั่งขัดสมาธินี้ไม่ยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายขั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตา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 พุทธโธพุทโธพระพุทธเจ้านี่สำคัญกว่าสิ่งใดๆกว่าที่เราจะได้มาเรียกท่านว่าพุทธโธ ท, นะท่านตั้งใจบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานมาสี่อสงไขยแสนมหาเกจึงได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธนี่ พระองค์รักษาสินห้าสินแปดมาโดยลำดับได้สีอสงไขยแสนมหาจักรจึงได้คำว่าพุทธโธนี่มาพระองค์แน่คัมภรบาลีหรือว่ารักษาสินอุโบสถ มาสีอสงไขยแสนมหากรจึงได้คำว่าพุทธโธนี่เระองค์ฝึกหักจิตใจให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาไม่ยอมให้ตัวเองเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญานานสีอสงไขยแสนมหากรจึงได้มาคำว่าพุทธโธ ท, ที่เราภาวนานี่ แล้วพระองค์ก็บำเพ็ญวิริยะบารามีคือว่าเป็นคนมีความภากความเทียนความพยายามทุกอย่างบำเพ็ญมาอย่างนั้นสี่อสงไขยแสนมหากร์จึงได้คาว่าพุทโธนี่พระองค์บำเพ็ญขันติบารามีขันติบารามีมาสี่อสงไขยแสนมหากั์ จึงได้คําว่าพุทโธพุทโธที่เราภาวนาหนี้พระองค์บําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากรจึงได้คําว่าพุทโธพุทโธนี้พระองค์บำเพ็ญบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากร จึงได้คําว่าพุธทธธพุธโทโธที่เราภาวนานี้พระองค์บําเพ็ญเมตตาบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัรจึงได้คําว่าพุโทโธพุธโทโธนี้มาพระองค์บําเพ็ญอุเบกขาบา ร, รมีมาสี่อสงไขยแสนมหากัร จึงได้คำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกภาวนานี้คำว่าพุทโธจึงไม่ใช่ของเล็กน้อยบัมเ่นมาสีอสงไขยแสนมหากรัมคำว่าพระสงไขยแล้วว่าจนนับไปไม่ได้แล้วยังเพิ่มว่าสีอสงไขยแสนมหากรัมอีก จึงได้ตักนี่ก็อย่างต่ำหรืออย่างได้ตรัสเร็วอย่างกลางพระพุท ธ, ธเจ้าสุดแท้แต่ว่าองค์ใดชอบขนาดไหนก็ตั้งใจเอาอย่างกลางนั่นเลย ว, ว่าแปดอาศงไขแสนมหากับอย่างสุดท้ายคือว่าชิดหกอาสงไขกับแสนมหากัรมจึงได้คาว่าพุทโธ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 เวลาภาวนาโบราจณาอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจงให้น้อมนึกอัมลึกเอาคุณพระพุท ธ, ธเจ้าคำว่าพุโทโธนี่มาสอนใจเวลาเรานึกกุฏอก็ให้เท่งดูฟังเสียงที่ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธก็คือจิตเราเนี่แหละเป็นกู้เนึกถึงเมื่อนึกถึงบริกรรมภาวนาอยู่จิตเราให้มีสติ ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆให้จิตใจรวมเข้ามาสงบเข้ามาตั้งมั่นในดวงจิต ด, ดวงใจของเราทุกคนให้ได้การบำเพ็ญภาวนานีก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกแรกงานจึงมาเป็นสมาธิภาวนาได้ ถ้าเราไม่ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาก่อนจะมันนั่งภาวนาพุโทโธมันก็เลื่อนลอยเต็มทีจึงต้องมีการประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญกุศลนั่นคือว่าทำทำดีทำความดี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 หรืออุบายอื่นใดก็ได้ทางนั้นแหละเมื่ออุบายนั้นยังจิตใจของเราทุกคนให้สงบระงับได้เกิดความสงบได้เกิดความสลดสังเวชมองเห็นเชิญทำกรรมาฐานได้ก็เป็นอุบายภาวนาได้ทางนั้นสมถภาวนาทําใจให้สงบ ให้ใจมั่นใจตั้งมั่นไม่ให้ใจงนแง่คอนแกลนบอ้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นให้ใจมาสงบแนว่วโยในคำว่าพุทโธหรือบทใด บ, บทหนึ่งที่เราเอามาภาวนาพิจารณานั่นแหละส่วนจิตสังขารจิตมานจิตกิเลสจิตตัญหามาณนะทิฏฐิให้เลิกละทิ้งให้หมด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 จงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าเป็นคนใจต่ําคนเราเมื่อจิตใจมันต่ําแล้วยกขึ้นมาได้ยากจิตถ้าหาว่ามันหลงไหลไปตามความโกรดมากก็เรียกว่าตำ่ำหลงไหลไปตามความโลภความอยากได้เกินไปก็เป็นความตำ่ำหลงไหลไปตามความหลงลุ่มหลงมัวเมาฟุ้งซาารลาคาญเอาความสงบเยือกเย็นไม่ได้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 ผลอบรมจิตใจของตนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจของตนการที่จะไปสู่ความพ้นทุกข์ภายในโลกในวัฏฏสงสารนั่นไม่ใช่ผู้อื่นจูงจะูกมันเป็นการประกอบกระมของตัวเอง ให้ตรงกับศาสนาธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านสอนว่าให้ใจสงบตั้งมั่นกดฟังใจนึกสั้งใจเจริญเมื่อได้เวลาแล้วโดยเฉพาะเราอยู่ที่ผู้บวชแล้วอยู่ที่วัดก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนาอยู่ที่บ้านก่อนจะหลับจะนอนก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา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 เมื่อเข้าใจแล้วการนั่งสมาธิภาวนานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทุกข์มันเป็นเรื่องสุขเรื่องสบายใจคนเราถ้าสงบระงับแล้วก็สบายไม่เร่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะคิดจิเพราะว่าใจคนเรานั่นกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงเนั่นมันมีเต็นอยู่ในหัวใจ แต่เราก็มาเห็นว่าเวลามันลุกขึ้นมาในใจของเราน่ะมาเข้าใจว่ามันเป็นในเวลานี้มันเหมือนกับว่าไฟเนี่ยมันเป็นเท่าเป็นฐานมันร้อและอุอยู่ในเท่าฐานถ้าเกิดมีเชื่อเพิงเชื่อไฟอะไรไปตกใจมันก็ลุกฮือขึ้นมาไหมบ้านไหมเดือนก็ได้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 เพราจิตไม่สงบพระพุทธกาพระองค์เจึงสอนพุทธบริษัทสาวกทั้งหลายทาั้งคฤหัสถและญาตโยมเทวดาอินชรมท่านสอนให้ตั้งใจให้สงบตั้งมัน่นอย่าได้วันไวสันสะเทือนไปด้วยอารมณ์ใดๆทางนั่น แม้พระองค์เองในวันที่จะได้ตรัสสู่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกไม่ใช่ว่าพระองค์เกิดมาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว <c oughs> พระองค์ไพรบวชกระเด็จออกบันพระาเป็นพระฤาษีอยู่ในป่าในเขาป่าหิมาภันโคเขาอินเดียนะเขาหิมลาลัยถ้ำกูหามีที่ไหน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 ใกล้ลิมแม่น้ำเนลันชละดมั่วมาถึงต้นโพต้นนั้นแล้วก็ชอบอกชอบใจคือว่าตามประวัติว่าต้นโพต้นนี้เกิดขึ้นมาพร้อมกับพระพุท ธ, ธเจ้าประสูติเกิดรูปกายพระองค์เกิดรูปกายประสูติทีนั้นต้นโพต้นนี้ก็คริ ด, ดอกออกผลจากเม็ดขึ้นมาเป็นต้นโพ ภายในสามสิบห้าปีต้นโพก็เป็นล่มงเ ง, งาใหญ่โตพระองค์เสด็จมาถึงก็ชอบใจจะนั่งภาวนาให้เด็กกลัดสลูี่ตรงนี้แหละเมือ่อฉันบินสบาทเสวยอาหารแล้วพระองค์ก็ไปอยู่รอบๆ บ, บริเวณล่มไม้นั้นเพราะว่ามันล่มเย็นดี พอเดเมแคร์เรียงโคมาเห็นเข้าก็มาเข้าใจเอาเองไม่ได้ไปถามพระพุทธเจ้าของเราเลยแกก็คิดว่าพระฤาษีตนนี้คงนอนที่นี่แนๆ่ๆตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนจวนจะค่าแล้วก็ไม่หนีไปที่อืน่นเห็นยืนเดินนั่งอยู่ตามแถวนี้แ ค, คร์เร่องโคอินเดียคนนั้นก็เกิดสรัทาว่า เราจะมีอะไรช่วยพระหรือีตรนนี้ก็ได้ความว่าฤดูเดือนหกเผ่นมันเป็นฤดูฝนพื้นแผ่นพื้นแผ่นดินก็ชื่นไปด้วยน้ำเพราะฝนตกมามากแล้วยังมีศัทธาไปเกี่ยวเอายาคามาแปดกำหอบมาถวายพระพุทธเจ้าของเราเวลานั้นยังไม่ได้ตัดสูป แคร์กล้องการจะให้ท่านปูนอนแต่พระองค์ก็รับเข้าย่าคาทั้งแปดกรรมนั่นมาแล้วว่าเราจะเอาย่าคาทั้งแปดกรรมนี่แหละปูนั่งสมาธิภาวนาให้ได้รัตวลรูเป็นระพุติเจ้าให้ได้จึงเลือกสถานที่ภายในบริเวณต้นไมโพนั้นว่าด้านไหนเป็นมงคล พระองค์ดูด้านทิศเหนือก็ยังไม่เหมาะดีทิศ ต, ตะวันตกก็ยังไม่เหมาะทิศใต้ก็ไม่เหมาะงัวมาดูทิศ ต, ตะวันออกเห็นว่าเหมาะดีคือว่าเช้าเช้าตรูก็จะมีพระอาทิตย์ออกด้านนี้ทุกวันทุกวันพระองค์ก็เอายาคาทั้งแปดกรรนั่นปูลาดลงไป สลับกันไปสลับกันมาหมดทั้งแปดกรรมในด้านทิศตะวันออกต้นไมโพนั้นมื่วพระองค์โอเสร็จแล้วก็เข้าไปนั่งสมาธิภาวนาในที่นั้นด้านทิศตะวันออกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรคือเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย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 มีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นเชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทางนั้นจะเป็นลูกสังขารตัวตนคนก็ตามสัตว์ก็ตามอะไรก็ตามมีลูกมีนามมีกายมีใจและ <c oughs> มันต้องมีมีทุกข์อย่างนี้แหละ งองค์ภาวนาจนเห็นแจ้ว่าร่างกายตัวตนของเราของเขาของใครก็ตามมันตกโยในลักษณะทั้งสามประการอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังคือมีแต่เรื่องทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตหลงมายึดเอาถือเอาให้เกิดความหลงไปอีกไม่มีที่สิ้นสดุด เมื่อพระองค์กำหนดอย่างนี้ได้จิตใจของพระองค์ก็แจ้งสว่างไม่หลงไหลไปตามลูกตามเขียงกินลสโปถพะพระธรรมมาลมในคืนวันนั้นเองพระองค์ก็ได้ตรัสลูกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธียาลากิเลสลาคโทสะโมหะหมดสิ้นไปในคืนวันนั้น พร้อมทางวาสนาอาจิมกิริยาายวาจาจิตอะไรไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดและก็พิเศษกว่าภาษาว o ลูกศิษของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นชื่อว่าไม่ว่าองค์ใดมาตัดกันแล้ว่าพิเศษจะหัวเลาะเฮหาเหมือนคนธรรมดาเหมือนพระสงฆ์ธรรมดาไม่ไม่มี ถ้ามีเหตุมีการอะไรเกิดขึ้นก็ยิ้มพระโถดคือว่าถ้ามองดูหน้าของพระองค์แล้วเป็นยิ้มแต่ไม่มีเสียงหัวเราะยิ้มแสดงยิ้มแย่งแย่งใสพระอานนุ์พุทธอุปทาก็โทนถามได้เรื่องได้ราวขึ้นมาเลยว่าอย่างนั้นอย่าง น, นี้คือว่าอันนี้แลีย ว, ว่าวาสนาพระองค์งคเลิกได้ละได้ การถอยแผพระพุทธศาสนา <c oughs> ของพระองค์นั้นเมื่อพระองค์ได้ตัดสู้แล้วก็ไม่นานที่เราเรียกว่าวันอาสาหะบูชาวันเข้าพรรษาเป็นการเรียนเทียน ล, ลุกถึงพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดปัญจวีร์กีรลีสีกัางห้าให้ได้สำเร็จมรสนถึงซึ่งนิพพาน พาระลานาสีสมัยนี้เขาเรียกว่าสารณะขณะนี้ก็มีวัดไทยเราอยู่วัดหนึ่งแต่ว่าได้แขกเป็นเจ้าอาวาสเป็นมาอยู่เมืองไทยกลับไปอินเดียก็เลยหลวงพ่อพระโคเป็นก่สร้างวัดให้นั่นทีหนึ่งได้พระแข่เป็นเจ้าอาวาส แต่ว่ามันเป็นแขกสมัยนี้ไม่ใช่แขกสมัยเก่าก็ต่างกันไปบ้างมั่วพระทั้งห้าองค์ได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วพระองค์ไม่กลัวะเพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะอย่างคนเราธรรมดานี้ไม่มีแล้ว เมตตาจริเมตตากรุณาแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแกก็มุ่งให้เขาเมีความสุขความสบายสอนทาเรื่อยไปพระองค์ก็โผยแผ่ไปอีกทางหนึ่งสาวกทั้งห้าองค์ท่านก็ห้ามไมา่ให้ไปร่วมกัน ให้ไปคนอาทิตย์แตทางใครถนัดด้านใดทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะวันออกสอบใจทางไหนก็ไปแต่แม่ไปหลายองค์เสียเวลาพร <c oughs> ะองค์ก็เทศนาสอนไปอีกทางหนึง่งไม่เอาสาวกมาปฏิบัติรักษาเอาความสุขความสบายอย่างคนเราธรรมดาก็ไม่เอา พระองค์ไปเองยืนเองนั่งเองนอนเองบินทบาตเองฉันเองอะไรทุกอย่างไม่ต้องกังวลกับสาวก ย, ยังมีพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเกิดนีขึ้นตอนเช้าเรียกว่าปุปบรรเถสปินดาปาตังจกักเสด็จโปรดสัตว์ในทางบินทบาทตอนใบบ่ายเย็นเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินเรียกว่าสานเถตธรรมเทสนัง ไปสอดสอนอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงว่าครือหักญาตโยมที่ยังไม่ได้เป็นนักบวชนับตั้งแต่เท่าพยามาหากรกฎลงมาจนถึงคนธรรมดาสามัญตอนเย็นเย็นก็เทศนาทุกวันญาตโยมโยบ้างใครมีเวลาว่างก็ไปฟังธรรมพระองค์แสดงแต่ขั้นตำจนถึงขั้นสุดสูงสุด ผู้ไดมีอินทร์บรารมีแก่กล้าก็ได้สำเร็จมรรผลเป็นญาติโยมก็ได้ตานพบท่ําก็ประทานโอวาทแก่พระอิษุสงฆ์ภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลี้าขาวนางชีลือชีนักบวชคือว่าเกณนผู้ละจากคารวาะญาติโยมแล้วก็ให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความดีละกิเลส ไม่ <c oughs> ให้มีความท้อถอยหลังจากสาวกเลิกลาไปแล้วทัพธรเตเทวปัญหานังตอนเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเหมือนพวกเราทั้งหลายพวกเรายังไม่เที่ยงคืนก่ออยากหลับแล้วง่วงแล้วพระพุทธเจ้าเที่ยงคืนยัง แก้ปัญหาของเทวดาหรือว่าเทศนาให้เทวดาฟังอยู่ไม่ขี้เเสาเหงานอนเหมือนพวกเราทั้งหลายเมื่อเทวดาเลิกลาไปแล้วจวนจะแจ้งจะสว่าก็อพิจารณาสัตว์โลกหมายตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปจนเทวดายินสมผู้ใดมีอินทรีย์บารมีแก่กล้า พอจะโปรดได้สอนได้ในวันพรุ่งนี้มีหรือไม่ขั้งโลกนี่แหละขั้งมนุษย์และเทวดาถ้ามีก็จะมาปรากฏถ้าไม่มีก็แล้วไปเินทบาทตามเคยนี่ละกิห้าอย่างนี้แม่สาวกของพระองค์ในสมัยนั้นก็ไม่ทำไม่ได้เหมือนพระองค์ห้าอย่างไม่ได้จะได้ก็ ดินธบาทมาถันนั่นเองครับนะแล้วก็เทศนาสอนการต้อมรักเทวดาสอนเทวดาก็จะได้เป็นบางท่านบางองค์เ mm hmm. นแสดงให้เรารู้ว่าพุทธศาสนาที่จเจริญมาจนถึงพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในสมัยนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นเป็นประธานเป็นพุทโธ เป็นพูดทำทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันก็ว่าถ้าพูดคนเราสมัยนี้ก็เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาเต็มที่ส่วนสาวกกเผยแผ่ไปได้สำเร็จแล้วตรงกันไปทั่วไปจนมาถึงบ้านไทยเมืองไทยประเทศไทยเรานี่แหละจะไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าภาษาวกไม่ได้มา ถ้าไม่มาแล้วคนไทยจะมานับถือพุทธศาสนาไม่ได้ที่เรานับถือสักระบูชาก็คือว่าคนไทยมันสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยขั้งพุทธกาลนูล่นแหละแต่ว่าตำนานนั้นมันมาเดกเขียนไว้สมัยโบราณ น, นั้นดีแต่การลบล่าคา่าพันเดียดเดียนกันยากโย สัณห์ตัณลาก็ข่าศึกเข้ามาโจมตีบ้านเมืองก็เผาทิ่งทำลายทิ้งมันเป็นอย่างนี้บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาว น, นาอยู่ที่ทํำพระปองนี้ก็เถอดถ้าหากว่าญาติโยมทั้งหลายมาแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งนั่น ไม่มาอยู่เป็นหลักเป็นฐานจะมาถางป่าถางน้ำออกหรือทำให้มันจนทีนั่งภาวานารับสานึกพุถุโตไม่ได้จะมาต้องตีนั่นตีนี้แล้วก็กลับบ้านกลับเมืองเท่านั้นเองแต่ที่เราได้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือว่าด้วยบนบารมีพระพุทธเจา้าที่ท่านแผ่รับสมีมาจากเมืองลิธานให้สาวกทั้งหลาย ยากโยนทั้งหลายมาทำบุญให้ทานรับคาชิ้นห้าชิ้นแปดโดยเฉพาะวันออกพรรษาวันมาหาปวรณะวันแรมค่ำหนึ่งที่นี่เป็นกบีตัตบาทเทโวตักบาทเทวดาคือเป็นวันที่ถือนินิดว่าพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดแม่พุทธมารดาสามเดือนอยู่เมืองสวรรค์ ลงมาวันแรมคำหนึ่งพระบาทพระพุทธเจ้าพักบาทสาวกในสมัยนั้นจึงได้มาร่วงกันและก็ปีนี้ทางนครนายกก็ได้มาทอดกระถินนาฐานสำเร็จรล่วงไปยังมีศรัทธานอนทํา้าปอบภาวนาอีกสักคืนอย่างน้อย หรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปชอดอ้ยอย่าไปกลัวบวชบวมันสบายที่สุดแล้ในโลกนี้ไม่มีอะไรสบัยหรือผู้ใดจะบวชอย่างพระพุทธเจ้าก็ตั้งใจไว้อย่าไปช่อด้วยอย่าไปกลัวบวชบวชมันสบายที่สุดล้ในโลกนี้ไม่มีอะไรสบายเท่าแต่ว่าที่เล็กในใจของเราสังหะ มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนพระพุทธลูกไม่ได้มันก็หุ่นวายเลยให้อยู่เหมือนพระพุทธลูกภาวนาพุทธโธพุทธโธอยู่มันก็อยู่ได้จึงให้พาการตั้งอกตั้งใจอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าวิลเยนะทุกขมัดเจติ บุคคลจะล่วงทุกภัยไปได้ก็ความเขียนคนเราถ้ามีความเพียนความหมันความขยันในจิตใจไม่ทอถอยแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมสําเร็จลุล่วงเป็นไปได้ดูพระศ า, าสดาสัมมาสัมพุท ธ, ธิเก่าของเราทั้งหลายพร้อมด้วยสาวกของพระองค์มีคำโมกขคำลาสารีบุตรคุตเทเวนยทั้งหลายท่าน มีความท่อแท่ออนแอมีความอดความทนความหมั่นความขยันขันแข็งในการระพฤติดีปฏิบัติชอบอยากอยู่ดีสบายท่านก็เร่งภาวนาเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เตือนใจของท่านว่าเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาสอนมาเตือนไว้ว่าผลที่สุดชีวิตของคนเรายอมถึงซึ่งความแตกดับ คืความตายความตายนั้นมันไม่ใช่คําพูดมันเป็นความเจ็บปวดทุกขเวทนาล่าวลานที่สุดความตายฉะนั้นท่านเงจงตัดไว้ว่าความตายเป็นทุกขเราเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งจะเกิดมาจนถึงวัยแก่วัยชราทุกคนนั้นก็ยังไม่หนับนวงเท่าวันแตกวันตายแต่วันแตกตายนั้นเร็วเจ็บปวดที่สุด จึงเหลือทนทนไม่ไหวจิตก็ออกจากร่างกายบัดนี้เรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่บนกุศลยังให้โอกาสให้เวลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราได้บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาให้เน้นหนักไปในทางภาวนาทำความเขียนละอีเลตความโกรธความโลภความหลงในใจของเรา ให้เบาบางหมดสิ้นไปเป็นจุดหมายปลายทางอย่างอื่นไม่สําคัญจิตใจเป็นสิ่งสําคัญคนเราท่านตัดไว้ว่าจิตเป็นใหญ่เป็นประธานสําเร็จแล้วโดวยจิตโ ด, ดยใจคนเราถ้าใจมันจะเอาอะไรให้จริงจังแล้วได้หมดนั่นแหละเอาไม่ได้แต่ดวงพระทิตย์กันแม้ดวงพระจันร์ก็ยังขึ้นไปเหยียบย่ำได้ มนุษย์เรามันมีความสามารถอาถฐานเห็นนั่นอย่าไปทอแแทอ่อนแอในหัวใจจงทำใจของตนให้ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวยอย่าไปให้มันใจหิวแห้งกระจอยง่อยอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นภาวนาโยงอยัดต่อสู้กิเลสความโกรธความโลภความหลงฟาฟันกิเลสในหัวใจของตนให้วอดวายไป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 สัทจีตโยวิวัตชันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายยโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปิกาญโนจัตารโอธร ม, มาวะทันติอายุวันโนสุขังชาลัง <c oughs> นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมทัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปทัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระภูมีอระภาคพระหันตาสัามาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นง<ม>าโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมเป็นโอกาสที่เราจะได้นั่งสมาธิภาวนากันการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิ าการนั่งขับสมาธิให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขาขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งอกตั้งใจรวมกำลังจิตใจเข้ามาภายใน ไม่ให้จิตใจเราแสสายไปตามลอ้อนหนาวภายนอกเรื่องคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องเกี่ยวเมื่อเรานั่งเรียบร้อยหลับตาแล้วก็ตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสง์คุณพรศีรัตนาตร ทั้งหมดทั้งมวลก็ให้รวมเข้ามาสู่จิตใจของเราที่นั่งภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่นี่ตัวเราใจเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องไปที่อื่นสิ่งนั้นก็คือจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในกายในจิตของเราทุกคน ให้ดวงกำลังจิตใจอันนี้เข้ามาตั้งมาสงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวอะไรสู้ใจของเราไม่ได้ใจของเราทุกคนนั่นแหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าเรายิ่งภวนาทำใจให้สงบนงแน่วแน่มั่นคงได้ดีเท่าไร เชื่อว่าเป็นผู้ไม่จนภาวนาพุโทโธอยู่ในใจไม่จนใจจนสิ่งภายนอกไม่สําคัญเจตใจเราไม่จนภาวนาพุโทโธได้ทุกลมหายใจจนเลิกละกิเลสความโกรธความโลภความหลงในใจนี้ให้หมดสิ้นไป <c oughs> นั่นแหละสําคัญ ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์โลกเทวโลกพมทธโลกเปตาโลกโลกใดก็ตามให้ชื่อว่าโลกที่นี้ดวงจิตดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่อาศัยให้พากัน ร, รวมจิตใจให้สงบตั้งมัน่นไม่ต้องไปลุ่มหลงมัวเมาตามเรื่องราวภายนอก โรรลภะฐานร่างกายของเรานั่งที่นี่ภาวนาพุทโธอยู่ที่นี่ก็ให้จิตใจเย็นสบายในที่นี้ไม่ต้องไปเป็นทุกข์เป็นร้อนกับเรื่องอดีตอนาคตแม้เราจะทำอะไรจะไปทางไหนจะอยู่อย่างไรเป็นเรื่องของยิบากะขัน คือ ร, รูประคันของคนเรายังมีอยู่ก็ต้องมีกิจกรรมการงานไม่เป็นบุญก็เป็นบาปแต่เวลานี้เป็นเวลารวมกําลังตั้งใจให้มั่นคงไม่ให้หลงไหลวันไหวไปตามโลกกระทำโลกกระทำมีอยู่แปดประการโลกกระทำแปดประการ มันกระทบกระเทือนจิตใจของคนเราและสัตว์โลกอยู่เสมอที่มันกระทบได้ก็เพราะยังมีความยึดถืออยู่ถ้าไม่ยึดถือแล้วท่านว่ามันกล็ลบลุยได้ทุกอย่างทุกประการอย่ามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอกอดีตอนาคต ให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาอยู่ในปริมนทนหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบคือลูกกับใจลูกกับนามตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละอันลูกประคันนี้เป็นเลือนล่างของจิตใจจิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยร่างกายอันนี้เป็นอยู่ เหมือนคนเราที่เกิดลูกกายมาแล้วจะต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกันลมกันฝนกันแดด ก, กันภัยอันตรายไม่ว่าจะเกิดจากคนจากสัตว์เกิดอะไรก็ตามถ้ามีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยกาบังป้องกันภัยแล้วส่วนมากก็ภัยอันตรายก็ไม่ค่อยจะถึงเพราะมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่สาบายแล้ว อะไรมาก็บ้านเรือนเป็นที่กำบังคนเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่งก็ได้สารีละร่างกายอันนี้ครบทุกส่วนทุกประการแล้วคนเราที่มีตาดีตาไม่บอดหูดีหูไม่หกวกจบูกดีลิ้มดีกายดีใจดีมันก็เท่านี้แหละมือเราได้ดีมาแล้วครบ ตามอาการสามสิบสองเป็นธรรมดาของลูกนามคนเราต้องมันก็แค่นี้ทีนี้จะให้ดีขึ้นไปอีกก็มีหลักทานศีลภาวนาทานศีลภาวนานี่คือว่าย่อเข้ามาให้มันสั้นให้มันน้อยคือทานการทำบุญให้ทานหนึ่งการรักษาศีลห้าศีลแปขึ้นไปหนึ่ง การปฏิบัติภาวานาไม่ให้จิตใจเราไปดีใจเสียใจตามอารมณ์ต่างๆตั้งใจให้มั่นพุทโธให้ดีพุทโธภายในไม่ใช่พุทโธภายนอกพุทโธภายนอกนั้นใครๆก็พุทโธได้เด็กอมมือมันก็ว่าได้พุทโธพุทโธแต่มันไม่รู้ความหมายผู้ปฏิบัติให้รู้ความหมาย ตั้งใจให้ถูกทำใจให้องค์อาจกลาหาญไม่ต้องเป็นคนทุกข์ร้อนในใจทั้งโลกกระทำนั้นความสรรเสริญเยินยอคนเราชอบแต่ว่าความตีนลินทาว่า้ลา่ป้ายสีสีนั่นคนไม่ชอบแล้วมันก็ได้เท่าเท่ากันนั่นแหละเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ในโลก นกรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับว่าเราหาบอยู่นั่นแหละมีลาบเสื่อมลาบก็เป็นธรรมดาของโลกเวลามีลาบดีใจเวลาลาบเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไม่ดีความจริงมันก็เท่าเก่านั่นแหละมีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศจะไม่เสือมยังใด เป็นอันว่าอยู่ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วไม่ว่าวัตถุเล็กน้อยปรมาณูก็ตามใหญ่ที่สุดเท่ากับผืนแผ่นดินท้องมหาสมุทรท้องฟ้าก็มีเกิดมีดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจะเอาแน่นอนไม่ได้แน่นอนที่สุดก็คือจิตใจผู้รู้อยู่ภายในใจของเราอย่าได้วันไว ภาวนาในใจไว้นึกน้อมเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พระธรรมเป็นอารมณ์พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นลารมณ์เอาทางศีลภาวนาที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นอารมณ์จิตใจก็ย่อมโล่งโปร่งเย็นสบายพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเราเย็นสบายเหมือนอากาศในถ้าผาปลอง อากาศในถ้ำป่าปล่องเวลานี้ไม่หนาวเกินไปเรียกว่าเย็นสบายมื่อากาศเขาเย็นสบายใจเราเย็นสบายหรือไม่ถ้าใจไม่สบายก็รีบภาวนาเขาให้เจ้าใจนี้มันคอยไปทุกข์ไปร้อนแทนผู้อื่นไม่ได้มาพินิจพิจารณาทำกรรมฐ า, านให้แน่นอน ถ้ามากำหนดทำกรรมาฐานให้แน่นอนแล้วจิตใจจะได้เย็นตลอดวันจินตลอดคืนยืนเดินนั่งนอนทุกทียาบทในโลกนี้มีสุขก็มีทุกอย่างนี่แหละมีหนาวก็มีร้อนตามธรรมดาของโลกเป็นไงชื่อว่าโลกมันเป็นทุกนำความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นมีลูกนามกายใจตัวตนสัตบุคคลที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่น ทางพ้นทุกข์คือทางจิตทางใจมารู้จักจิตใจรู้จักเอาใจของตนให้มีความสงบตั้งมัน่นให้ใจรู้จักรู้แจง้งรู้จริงในลักษณะสามอ า, าการคูอหลักอนิจจังหลักทุกขังหลักอนาาัตตาเป็นของมีโยประจาในโลกเหล่านี้แหละขึ้นชื่อว่าโลกไม่ว่าอยู่ที่ไหน พบใดชาตใ ด, ดก็ตามก็ตกโยในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลานั้นใจที่ภาวนาอยู่เพียนเพ่งอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในจิตจนเห็นว่าลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลตัวเราตัวเขานี่ ไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนอ ย, อยั่งยืนมีเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นอยู่อย่างนี้แหละดูแต่ม น, นุษย์คนเราที่เราเห็นกันอยู่ในโลกสมัยนี้เวลานี้วันนี้คืนนี้แหละมันก็ชั่วระยะหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอถ้ามันเกิดได้มันก็ตายได้ ก็ดได้มันก็ดับไนดะไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่มีจิตใจคองก็ตามมันก็เกิดดับอยู่ตามหน้าที่นั่นเองยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณทองอยู่ในร่างกายสังขารอย่างมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ย่อมมีความทุกข์เพราะว่าเมื่อมันเกิดทุกขเวท น, นาขึ้นมามันก็ย่อมได้รับผล หรือสุ ข, ขเวทนาสบายก็ได้รับผลในนี้แหละเวลานั่งภาวนาปฏิบัติบูบชาภาวนานั้นทันเจียงให้ลำ้ลำลลึกอยู่ในใจเสมอพุทธออยู่ในดวงใจ <c oughs> <c oughs> ยังดวงจิตดวงใจของเราให้มีความเยอือกเย็นสบาย <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ไปทุกข์ร้อนแทนบุคคลผู้ใด จ้งให้รู้ให้เข้าใจว่าตัวเราของเราจริงๆนั้นมันไม่ใช่ของภายนอกแต่เป็นของภายในตัวเราคือรูปร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมนี้เราจะใช้มันได้ก็ในเมื่อเวลามันอยู่ดีสบายธาตุทั้งสี่ขันทั้งห้ายังสม่ำเสมอกันอยู่ก็ใช่การได้เมื่อใช้ได้ ก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเราของเราแท้ที่จริงนั้นมันไม่ใช่แต่มันใช่ได้ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองทีงนี้ครับมันเกิดใช่ไม่ได้ขึ้นมาเราจะไปใช้มันได้ที่ไหนใช่ไม่ได้ ภาวนาทำใจให้สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ในหัวใจนั่งโยก็ภาวนาในใจยืนโยก็ภาวนาในใจเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาในใจพุทโธพุทธะจิตผู้รู้โยที่ไหนก็ <c oughs> ให้รวมกำลังมาโจ่จิตใจดวงผู้รู้อยู่ เจงอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้นี้ออกไปทั้งโลกและไม่มีอะไรจะเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปย่อมเป็นเรื่องทุกข์ใครไม่รู้ไปยึดถือก็เป็นทุกข์การที่ใจามายึดว่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าตัวเราของเราฟุ้งซ่านลำคาญไปตามลูกเสียงจินลดโพธพภะธรรมอารมณ์นั้น อยาได้ลุ่มหลงหมัวมเมาไปรวมกำลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผู้รู้โยู่ในตัวในใจนี้ให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อรวมกำลังเข้ามาที่นี่แล้วอะไรอะไรมันก็มารวมที่ใจที่จิตใจดวงผู้รู้โยภายในนี่แหละถ้านอกนี้ไปแล้วยาได้วัง เดี่ยวก็วสุกเดี่ยวก็วทุกข์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นกระแสะของโลกไม่ใช่กระแสะของธรรมกระแสะของธรรมของธรรมก็คือให้รู้อยู่เห็นอยู่ในจิตใจภายในนี้ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลาย ในโลกนี้มีความไม่เที่ยงแค่แน่นอนยังยืนอยู่เลยเป็นทุกเป็นอนัตตาทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงทั้งหมดทั้งมูลทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุทั้งหลายที่จิตใจมาลุ่มหลงวัวเมาอยู่นี่ทั้งหมดเลยจงปล่อยวางเลิกละอาการทั้งหมดต่อไป นั่งก็าภาวนารู้ใจของเราเองที่เลสอันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิน้นตวนใจของตัวเองให้ได้ว่าความตายนั้นมันใกล้เข้ามาหรือว่ามันตายไปโดยลำดับลาดับแต่ปัญญาวิชาเราไม่ทันก็เข้าใจว่ามันไม่แตกไม่ทำลายชีวิตของคนเหล่านั้นมันเจ็บเหมือนอย่างเราจุดทุกจุดเทียน เมื่อจุดแล้วมันก็ไฟมันก็ไหมเมื่อไฟไหม้แล้วมันไม่เคยอยู่ที่เก่า เ, เทียนที่ยาวปรเดี๋ยก็สั้นลงไปสั้นลงไปผลที่สดก็หมดหมดก็ดับชีวิตของคนเราแต่ระบุคคลมันก็เหมือนไฟไหม้ถูกไหม้เทียนอย่างนั้นเลยมันสวนไปสิ้นไปหมดไปพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า เชื่อว่าสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นเป็นโลกสังขารคือตัวของคนเรานามสังขารคือจิตใจของคนเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะเดียวมันก็เสื่อมไปสิ้นไปหมดไปดับไปผลที่สุดก็ไม่มีอะไรเหลือ ธาตุดินก็เป็นถาดดินไปธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาจิตกิกลเลสจิตตันหาก็พาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปจิตผู้ใดเลิกละปลดปล่อยหยุดนิ่งไม่ไปที่ไหนมีความรู้แจง้งเห็นจริงอยู่ในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าหยุดเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายต่อไปอีกมีความสงบตั้งมาก เจิตใจเยือกเย็นสบายไม่ได้หมายว่ากายสบายกายนี้จะหาความสบายได้ยากเพราะว่าร่างกายทุกชิ้นส่วนมันเต็มไปด้วยพยายคอยรอวันแตกวันทําลายอยู่อย่างนั้นเองแต่จิตใจผู้รู้ผู้เห็นแจ้งในธรรมปฏิบัติไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจ เป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่ายุคใดสมัยใดไม่มีอะไรเสื่อมไปสิ้นไปเลยธรรมะปฏิบัติขอให้ตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเข้าออกพระพุทธองค์ทรงตัดว่าถ้าผู้ใดภาวนาบทใดข้อใดก็าตามหรือว่านึกถึงความตายที่จะมาถึงตนให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมตัดบวง่วงอะไรที่แลตันหาในจิตใจนั้นได้หมดสิ้นไม่ต้องสงสัยมารั ง, งเมภาวิสติเราต้องตายภายในร้อยปีแม้จะเลยล่อยปีไปก็ไม่พ้นความตายคำว่าตายตายนี้มันเป็นเรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่มันประชุมกันอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วมันก็แตกถลายไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั่นเองจิตใจผู้ไม่ตายมีโยภายในกายนี่แหละเบลานี่ที่มันตายมันเกิดก็ด้วยอำนาจกิเลสลาคะตันทากิเลสโทสะกิเลสมหะมันห่อหุ้มจิตใจพาให้ดินลมวุ่นวายเกิดตายเกิดตายยาไม่จบสักที เมื่อมานั่งภาว น, นาทำความเชียนทำใจให้บริสุทธิ์ลดพ้นออกจากโลกเสียงจินลถพอตภะธรรมมาลมไม่มายึดหน้าถือตาไม่มายึดตัวถือตนไม่มายึดเรายึดของของเราในโลกนี้ทั้งโลกนี่แหละไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งนั้น เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เขาก็ดับไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองเมื่อผู้ปฏิบัติมาเห็นแจ้งว่าโลกนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาเป็นของโลกธรรมดาเจ็บให้รู้เท่าทันอย่าได้มาดีใจเสียใจไปตามเรื่องราวเหล่านี้ จงทำความรู้แจ้งในจิตใจของผู้ปฏิบัติในใจของผู้ปฏิบัตินั้นเรียว่าเห็นแจ้งด้วยปัญญาเมื่อเห็นแจ้งด้วยปัญญาความยึดตัวยึดตนยึดเรายึดของของเราก็คลายออกไปโดยลำดับจนหมดไปสิ้นไปในวันเวลาหนึ่งจนได้จงรวมกำลังเข้ามาตั้งภายใน อย่าให้จิตใจวุ่นวายพลายล่อให้ใจมีความเยือกเย็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจอะไรผ่านตาผ่านหูผ่านแกมูกผ่านลิ้นผ่านกายก็ให้เห็นว่าสิ่งที่มันผ่านอยู่นั้นให้ระวังจิตใจอย่าไปยึดมั่นถือมันเมื่อมันผ่านได้มันก็ดับไปแล้ว เมื่อมันทานได้มันก็แก่ชลาชำรุดจุดโทมไปได้อย่าไปยึดไปถือให้มากเกินไปพุทธอจิตผู้รู้อยู่ที่นี้จงให้รู้ให้แจ้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองเมื่อคนเอื่นพูดอะไรไม่ศักดกระหูสกักดิ์ใจก็อย่าไปยึดไปถือปล่อยให้มันผ่านไปเสียมันก็หมดเล้องไม่ต้องมา ทำใจให้วุ่นวายกับลูกเสียงกินรสโพธิภพธรรมอารมณ์ให้เห็นว่าอะไรอะไรมันเกิดมันมีขึ้นมันก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจนถึงสิ่ง น, นิพพานถึงนิพพานอยู่ที่ไหนนิพพานก็อยู่ในจิตในใจทุกคนนั่นแหละ เดี๋ยวนี้กิเลสมันห่อหุ้มไว้จึงไม่รู้พันิพาจึงมีหน้าที่ปฏิบัติบูบชาในการทาบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูบชายาให้มีจิตใจคุณมองเศ้ามองตัวระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนาอยู่ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ที่ไหนให้รู้แจ้งอยู่ในที่นี้ สงบอยู่ในที่นี้จงให้เห็นในจิตอันนั้นอยู่เสมอว่าสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วอยากเข้าใจว่ามันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปความสรรเสริญเยนยอยกย่องเทิดทูนมันก็เกิดขึ้นชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับไปทั้งคนทั้งสัตว์ทางวัตถุธาตุทั้งหลายไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนยั่งยืนอยู่เลย จงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของเราภายในให้มีความสงบตั้งมัน่นจนรู้แจ้งในหลักสามประการคืออนิจังทุขังอนาัานั่นแหละฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจ้ำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญ เตวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพทีติโยวิวัตคันตุสัพพโลโคโมินักตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขที่ทีฆายยโกภวะอาคิวาธนาซีฤทธิชิจังมุทธาปจายิโนยัตาโรธรรมมาวทันทีอายุปันโนสุขังภาลัง